เราก็นั่งตั้งใจฟังฟังได้ดีก็ได้ปัญญาองค์ธรรมติมาของเจ้าสอนมาสี่สิบห้าปีท้ายสุดก่อนดับขันบริณิพานได้ตอดไว้เป็นปัจจิโมว่า จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเตือนความไม่ประมาทก็คือให้มีสติให้มีสติปฐานโดยเฉพาะมันเป็นสติที่จะพาไปสู่ปัญญาสูงสุดของการได้ชีวิตเป็นมนุษย์ก็คือปัญญาพุท ธ, ธะปัญญามีหลายระดับ ะระดับเบื้องต้นเลยคือวิญญาณสัมผัสได้ต่งตางๆหูจมูกเกลี้นกายใจวิญญาณอันที่สองก็คือจำได้หมายรู้โดยสมองความทรงจาเราอยู่กันตอนนี้ประมาณสองถึงสามร้อยชีวิตถ้าอยู่กับความคิดต่างคนต่างคิดมันก็มีปัญหาเยอะ เรื่องแงคิดมุมมองมากมายตเรดมีสติมีการรึ้ ร, รู้มีความ ร, รู้สึกตัวนั่นก็เป็นหนึ่งเดียวกันต่อมาก็คือเรื่องของทิฏฐิความเห็นต่างๆมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสองคนก็เห็นกันคนละมุม ก็ทำให้เกิดการพูดคุยที่มีความแตกต่างทางด้านความเห็นสพิญญาเหนือสัมผัสที่หกเราจะสังเกตได้บังที7เจ็ดวันหมดขนไข่หนีฝนมนุษย์ยังไม่ค่อยรู้แผ่นดินไหวปลากระโดดขึ้นหนีน้ำหรือว่าปูออกจากรู บังที่กบออกจากรูนะในต่างประเทศเราจะเห็นอีกไม่นานนักแผ่นดินก็ถล่มกบหายไปทั้งเมืองประเทศจีนก่อนหน้าก็ออกเข่าวมีกบออกมาจากรูมากมายอย่างเงี้ยมันมีอาเพศเหตุ ภ, ภัยเกิดขึ้นมามันมีสัญญาณภัยเกิดขึ้นมาแต่ว่ามนุษย์ถอดรหัสไม่เป็นแต่มันก็คือระดับที่เรียกว่า วิจุยานวิจุญานคืออย่างรู้ชบพันแตกฉานขึ้นมาเฉพาะเรื่องเฉพาะราวหลายๆเรื่องหลายๆราวชาปันสูงสุอก็คือสัมมาสัมพธิญาณนี้ปัญญาพาพ้นทุกข์เนเกิดเหนื้อแก่เนเจ็บเนือตายเราก็จึงมารวมตัวกันนะศึกษาปฏิบัติได้ ว, ว่ารูปแบบการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติ มรควิธีมรควิธีต่างๆที่มันมีอยู่เป็นร่องเป็นรอยบรนบุรุษตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จสัมมาวุฒิเจ้ารู้แล้วบอกต่อจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะพ่อแม่ครูอาจารย์มากมายเหลือเกินที่ท่านได้สัมผัสสภาพธรรมต่างๆจนทั้งถึงที่สุดแล้วก็นามาบอกเราจะต้อ ถ, ถึงยุคเรา เราก็ฟังคำชี้คำนำคำเตือนต่างๆวันที่26ธันวาคมพศ2547 เ, เกิดอาเพศขึ้นมาทางภาคใต้ใจฝั่งทะเลอันดามัน30กิโลเมตรจากเกาะสมุตรตาลงไปเกิดการไหวของแผ่นดินแยกตัวของแผ่นดินจะเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมา หลายคนก็ไปดูน้ำแห้งวันนิทะเลสวยชายหาดสวยจับปูจับปลาหมกึกติดตามขวดอินเนียปลาต่างๆสักครู่หนึ่งก็เห็นคลื่นสูงเท่ายอดมะพร้าวซัดก็มาแล้วก็ลมหายตายสูนไปบางคนรอดก็มีเหมือนกันตั้งๆที่มีคำเตือนจากบรรพบุรุษว่าเวลา นำทะเลแห้งให้วิ่งขึ้นที่สูงะสุนัข ก, กระเ่ามอแกนก็วิ่งขึ้นไปแล้วแต่ว่าคนกลุ่มคนเมืองหลายคนเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าลืมไปบางทีก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องของปลากฏการที่ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นแล้วก็หลงก็ไปท้ายสุดก็คือจบชีวิตหมดพบหมดชาติดแล้วก็จึงนี่แหละ นอมว่าเป็นอุทาหรสอนตนอีกในอะไรในอีกหลายๆเรื่องนะที่มีเกิดขึ้นทั้งใกลตัวและไกลตัวทั้งตัวเองแล้วคนอื่นโเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากการที่เราหนะลงเข้าไปในความคิดการปรุงการแต่งมากมายเกิดความร้อนรุ่มขึ้นมาภายในจิตใจของเรา บทีกร้อนทางตามีสาตาร้อนร้อนหูร้อนไกายร้อนใจอย่างเช่นว่าสมัยพุทธกาลมีคนที่ตั้งใจนะรวมตัวกันเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตอย่างกลุ่มของชาดินสามพี่น้องมารวมตัวกันทีก็เป็นพันคนฟังธรรมของพระพุทธองค์ กสปะนาทีกาสปะนยสีหคยากัสปะในครั้งนั้นองค์สมเด็จธระมเจ้าก็เดินทางมาจากพารณาสีป่าอิสิปันนามรุกัยวันก็นเดินลงมาที่ราชคลึแล้วก็ลงมาที่พุทธกยาที่โอรุเวลาเสนานิคมซึ่งจุดนี้ก็เคยไปมาแล้วก็เห็น มีส่วนตาลหนุ่มเขาก็ชี้ให้ดูตัวนี้แหละคือจุดที่เรียกว่าส่วนตาลหนุ่มแต่จริงๆเราก็ไม่ร่วมใช่หรือเปล่าแต่ว่าในพุทธประวัติก็ว่าไว้ทีนี้เจดินทสามพี่น้องก็บูชาไฟแตนี้พอบูชาไฟนะเนี่ยองค์สมเด็จสามามเจ้าเห็นว่านไฟมันมีไฟในตัวที่เรียกว่าโทสาคิีหรือว่าลาคะคิีโมหาคิพวกนี้ เป็นไฟที่เกิดในตัวชะด่นสามพี่น้องได้ยินว่าอ๋อมันมีไฟในตัวที่เราบูชาไฟบูชาพระอาทิตย์นึ่งเป็นไฟนอกตาก็คือไฟรูปก็คือไฟเวลาตากระทบรูปเกิดการสวยอารมณ์มาก็คือไฟหูก็คือไฟเสียงก็คือไฟเวลาหูกระทบเสียงสวยอารมณ์เกิดขึ้นมาก็คือไฟ ก็ชี้ให้เห็นไฟที่เกิดในตัวเราความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความโศกความลาไรลําพันมันคือไฟก็ช mm ี hmm. ้ให้เห็นไฟในตัวเพราะนั้นเราไม่ต้องบูชาไฟประเภทนี้ให้เราออกมาซะออกจากความร้อนไม่เห็นความร้อนแล้วก็ดับซะเวลาทานหล่นใจขาอย่าถามว่าทานไม้อะไร จะถามว่าทานมาทางทิศทางไหนใครเป็นคนที่ปลามาหล่นใส่ขาเราไม่ต้องไปถามปัดออกทันทีอันนี้ฉันใดก็ดีลักษณะของความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเราก็ไม่ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลลักษณะว่าออคิดเรื่องอะไรคิดดีคิดไม่ดีไม่ต้องไปถามออกมาจากความคิดก่อนรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัว อันนี้แหละจึงมีลักษณะของการปฏิบัติการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะเช่นผู้ใหม่ที่บงมาเมื่อวานเราก็เห็นแล้วว่ า, า, ว า, า, วามีการนำเสนอกันว่าที่นี่วัดป่าสุกโตเราก็ชี้นำเชิญชวนกันให้รับรู้รับทราบข้อมูลว่ามีการฝึกหัดกันแบบแนวเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแต่ละขะ ให้สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเบื้องต้นก่อนออกมาจากความคิดตลอดไปส่วนโมคคัปลาลามแล้วก็รับรู้เรียนรู้ฝึกหัดแบบอาณาปานสติไปสายหยุบหนอพองหนอก็มีอยู่อีกหลายที่พุทโธสำมาหลังไปถือศีลพระตรามาต่ตางๆนะเข่งครดมก็มีสำนักต่างๆอีกมากมายล้วก็เลือกแต่การมาที่วัดป่าสู่ตัวเรก็ชี้ การพลิกมือรู้สึกตัวยกมือขึ้นมารู้สึกตัวเอามาวางไว้ที่สะดือรู้สึกตัวจนครบสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะรวมทั้งการพักมือด้วยเราเห็นว่าทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเนี่มันก็จะมีอาการหนึ่งเกิดขึ้นมาก็าคือลัอกษณะของจิตที่เป็นปกตินไม่ได้คิดไปในอดีตไม่ได้คิดไปในอนาคตน มารับรู้อยู่กับสัมผัสที่เป็นปัจจุบันขณะที่มันกาลังปรากฏขึ้นแต่ละขณะที่ยิบเลยที่จริมันมีอยู่เป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นการกระพริบตาหายใจหรือว่าการที่หันซ้ายและขวาต่างๆการเคลื่อนกันกไหวการเต้นของจังหวะหัวใจต่างๆมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เจตนาแต่พอเราเจตนาที่จะเคลื่อนทางกาย มันมีการสั่งอยู่ข้างในตัวสั่งก็คือสติปกติในตัวหลงมันสั่งไม่มีสติขาดสติมันสั่งแต่ทีนี้ภาวะเจ็บนะที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเบื้องต้นอันนี้ตัวสติปฐานมันสั่งเราก็มาสั่งกายอะไรเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ชัว่วเรามาจับตัวนี้กันรู้สึกเฉยเฉยจกําลังก็ปกติเฉใจฉยปกติมันรู้แล้วก็พอใจรู้แล้วก็ไม่พอใจ รู้แล้วเป็นสุขรู้แล้วเป็นทุกข์อันนี้มันก็รู้แล้วก็เฉยเฉยให้ก่อนเราเริ่มเริ่มสังเกตได้ว่ามันมีตัวเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวเฉยเฉยให้เกิดขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยการกลับมารู้ที่ฐานแล้วก็ปัดออกไปไม่ใช่ยึดฐานเลือปักลงไปในฐานเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีลักษณะของปัญญาเน้น้อยเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าพอมีความคิดเกิดขึ้น ม, มันสิ่งแปลกปลอม มันถูกรู้เท่ารู้ทันก็สลัดทันทีเป็นสติปัฏฐานจะสลัดทันทีไม่ต้องคิดสลัดไม่ต้องคิดวางทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตมันปกติมันสลัดก็มันในตัวอยู่แล้วแต่เป็นแค่ว่าทุกๆอารมณ์เราไม่ได้ปฏิเสธบางทีนั่งนานๆเราก็เจ็บเราก็ปวดเราก็เมื่อยบางทีเราเคลื่อนมือความง่วงมันก็มาบางทีเราเคลื่อนมือเคลื่อนไม้ลักษณะพอทำต่อเนื่องมันก็คิดฟุ้งซ่านขึ้นมา อันนีนเน้เป็นการกวนเป็นการกวนมันทินเครื่องเศร้ามองทิ้มตกตะกอนนอนก้นอยู่ในก้นบะึ้งกับมันสันดานะมันมีนิสัยวันิสัยสันดานะมันถูกโกนขุ่นขึ้นมาจากยาไปหาละเอียดนัะนะนะนะเราก็เลยเห็นแล้วอ๋อนะมันเป็นการชําระจิตนะเป็นกระบวนการชําระจิตแล้วทาให้เกิดธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมา เมื่อก่อนเราประมาทมากนก็ไปโยกความคิดคิดรู้นี่นะเราไม่รู้เวลาเราไม่รู้แต่ต่อมาเมื่อเรารู้ว่าเรารู้ก็ติดรู้ขึ้นมาเงี้ยมันก็เลยวางไม่ได้สิบคนรู้สิบเรื่องเด็กก็รู้แบบเด็กครูก็รู้แบบครูหมอก็รู้แบบหมอพระก็รู้แบบพระชีก็รู้แบบชีมันรู้ไปคนเรื่องค่อนลาวบางคนก็ลงน้ําบางคนก็ลงดินดําลึกลงไปใต้ดินนบางคนก็รู้ไปในอวกาศนะ มันก็รู้ไปต่างๆนานาพอเรามาเคลื่อนมือรู้สึกตัวเดินโยกมือรู้สึกตัวเลยรู้สิ่งเดียวกันอันนี้เรียกว่าเจตนานามย่อกระนามบ่งเคยเจตนาคิดดีพูดดีทําดีเกณนาจิตคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วแต่ตอนนี้เจตนารู้ซื่อๆอยู่เหนือดีเหนือชั่วตัวนี้ไม่เข้าไปในเวทนาแม้ทั้งตัวเฉยๆก็ตามเราก็รู้เท่ารู้ทันทั้งหมด มันจึงเป็นวิชาพระทำให้เกิดปัญญาสูงสุดขึ้นมาคือปัญญาพุทธะมันไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกไม่ใช่คิดเอาเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเราจะมาดีมาร้ายนะเราสามารถที่จะรู้สึกตัวแล้วกนะ็เดินทางสู่การพุทุกได้ทั้งหมดสมัยพุทธการมีนะโจรหนะ้าร้อยโจรหมายถึงอะไรโจโรนี่ก็คือไปอย่าอยู่ที่นี้นะตังคคมไม่ยอมรับโจโรโจร จนห้าร้อยก็หมายถึงว่ามันมีมากหรือเกินหรือบางทีก็อาจจะคาดได้ว่ามันมีจํานวนห้าร้อยจริงๆงนี้เป็นต้นมีโจรห้าร้อยหัวหน้าโจรคือโจรขาวแดงคันนี้ป้นก็มีสัจจะโจร น, นี้ก็มีสัจจะโจรเช่นบ้านไหนให้เข้าให้น้ําบ้านนั้นเราจะไม่ป้นไม่ลักเล็กเหมยน้อยต่อมาก็คือเมื่อเราตั้งหวางทรัพย์ของเขาไว้ เวลาเอาเนี่ยอย่าเอาหมดเหลือไว้ก็ใช้บ้างต่อมาก็คือนะเวลาเอาไปแล้วเอาไปฝังดินซะถ้าราช ก, การตามไลนะ่อย่าสู้เด็ดขาดให้ถอยอย่างเดียวไม่มีการออกอาวุธนะจังต้งเจ้าหน้าทีนะ่เสียเลือดเสียเนื้อนะสัจาะของโจรเป็นงนั้นเมื่อไปป้นที่ไหนลักที่ไหนต้องเอ่ยชื่อตัวเองว่าเสือกลุ่มไหนกกไหนเป็นคนป้นเป็นคนจี้ ก่อนป้นต้องบอกก็ก่อนขี่ม้าเเรียบเหมือนโฆษณาฉายหนังเลยวันนี้จะมีการป้นเกิดขึ้นเตรียมตัวให้ดีอันนี่คือสัจจาของโจรเมื่อมุ่งหวังทรัพย์จะไม่ข่มขืนเป็นของแถมอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นสัจจาของโจรนะครัน้นี้โจรขาวแดงก็มีชื่อเสียงจรทั้งวาดวันพระเจ้าพระเถรระเสรที่โกศลก็ส่งกองทัพไปปราบ สุดท้ายสุดก็คือโจนมันจับได้มากเหลือเกินจำนวนห้าร้อยคนจะต้องประหารทั้งหมดเพราะว่าก่อคดีอุจจาระได้มากมายจนขาวแดงก็ถูกจับนักโทษประหารจำนวนห้าร้อยในวันนั้นต้องถูกประหารนักนักนักประหารผู้ที่เป็นพิจิตรก็ประหารไม่ไหวก็จึงประกาศอาสาสมัคร ในกลุ่มโจรว่าใครที่สามารถตัดคอเพื่อนได้เราจะปูนบําเหน็จให้อย่างงามก็คือจะตั้งให้เป็นเพรษาียประจำเมืองแล้วก็จะปูนบาเหน็จมีบ้านให้อยู่มีผู้หญิงมีนางสนมให้รับใช้อย่างนี้ทีนี้โจรขาแดงก็จึงอาสาตัดคอเพื่อนทั้งหมดช่วยกันกับเพชษณีย หลังจากนั้นก็ทําหน้าที่เป็นเพชฌฆาตประหารคนผิดก็ประหารคนไม่ผิดกับระหารเด็กอยู่ในท้องผู้หญิงก็พลอยตายไปกับแม่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นท้ายสุดพอปฎิเสธมาจนขาวแดงก็เศร้าหลังจากที่ก่อกรรมทําเข็นมาฆ่าคนมามากน้ำก็ติดเข้าไปในใจเวลาหลับตาที่ใดก็เห็นแต่คนตายอาฆาตปู่พยาบาท จนทั้กินไม่ได้นอนไม่หลับหลังจากที่ปวดกรเสียนมาก็หน้าดำํำอันนี้ครูกวก็ต้องระวังให้ดีนะใครที่คิดขอรับชั่นหรือว่าปฏิบัติการลงไปแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะอาจินตกรรมจะไม่เกิดเวลาสัญญกรรมคติกรรมโผล่ขึ้นมาเวลาใกล้ตายนี้ดูเวลาก่อนนอนกันแล้วกันก่อนนอนเป็นการซ้อมตายทุกคืนมันจะผุดโผล่ขึ้นมาความคิดต่างๆ กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนักโทษมาหารทั้งหมดทีนี้โจนขาวแดงก็มีอาการอย่างนี้วันหนึ่งพระสารีบุตรเห็นเขาก็รู้แล้วอ๋อลักษณะของโจนขาวแดงมีสมาธิที่ทําช่วได้สําเร็จแล้วก็มีสมาธิในการที่จะตั้งใจฆนะ่าคนอันนี้สามารถพริกได้เป็นสมาธิฏิพระสารีบุตรก็จึงออกวินาบาตรหลังจากที่โจนขาวแดงอยู่ในไข่สอนได้ เช้าก็เดินบาทไปเสร็จแล้วก็เห็นอาการเศร้าในแววตาแล้วก็สํานึกผิดลักษณะของจนข่าวแดงที่ยอมเอาข้าวทูลเหนือหัวแล้วก็ลักษณะอธิษฐานจิตถ้าเป็นคนดีได้ก็ไม่ขอทําช่วยต่อไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาใส่บาทภาษาลิบุตรภาษาริบุต ร, รต แ, แก้ทันทีโดยการพูดว่า ท่านผู้เจริญที่ท่านทำมานะไม่ผิดหรอกอันนั้นเป็นลักณะของจิตท่านแล้วก็บุปกรรมของท่านแล้วคนที่สั่งให้ท่านฆ่าขณะที่มีผู้ใช้อำนาจแล้วก็จับคนมาและบางทีนผู้ผิดเนี่ยจำน้นด้วยคำพูดเพราะว่ามมีคาพูดที่โต้อตอบ เสแล้วก็สั่งค่าท่านผู้ที่มีหน้าที่ท่านทำตามหน้าที่ไม่ผิดหรอกปรากฏว่าจนขาแดงก็จิตใจผ่อนคลายออกมาแล้วก็จิตยกสูงขึ้นถึงขั้นเข้ากระแสของพระโสดาบันในขณะนั้นเองจนขาแดงก็สัมผัสได้ถึงจิตที่มันเกิดวิมุตติขึ้นมาจากความคิดหรือว่าอารมณ์ที่ตัวเองเคยกระทำในอดีต ก็เกิดอารมณ์บุญขึ้นมาจิตใจใจดีขึ้นมาท่องใสขึ้นมานิมนุษย์ภาษารีบุตรเข้าไปฉันภายในบ้านอย่างนี้เป็นต้นหลังจากที่ฉันเสร็จภาษารีบุตรก็แยกไปจนขาวแดงก็ไปหาเครื่องบวชปรากฏว่ายักษกินนีก็ปลอมตัวมาเป็นวัวแม่ลูกอ่อนแล้วก็ชนเสียชีวิตอย่างนี้อันนี้กาลังหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับว่า จิตของเราเคยกระทาอะไรมาในวันนี้ถ้าจิตเราเดินทางได้ทําบุญทำทานรักษาสิแล้วก็เริ่มต้นที่จะบําเพ็ญจิตตาภาวนามีความรู้เนื้อรู้ตัวเห็นกายแต่ความเป็นจริงเห็นเวนามตามความเป็นจริงเห็นจิตเป็นคิดนึกปรุงแต่งตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงก็นั่นหมายถึงว่าเราก็เริ่มต้นที่จะเดินทางสู่การพ้นทุกข์เห็นธรรม ตั้งแต่หยาบสุดไปหาละเอียดสุดเป็นต้นนะเราก็จึงนะนะมารับรู้เรียนรู้นะการได้ยินได้ฟังมันเกิดปัญญาอยู่แล้วเนะมื่อได้ยินได้ฟังน้องก็ามาใส่ตน ล, ลงมือกระทาลงไปหรือว่าคําตักคํําตกคัาเตือนนะของออคสมเด็จสัมมาสัมพุทธนะศา ส, สดาเอกของเรานะยังมีกลิ่นไออยู่จริงๆเลยเพราะนะทุกวันนี้นะวิปัสสนากถูกเปิดเผยขึ้นมา ไมว่าสำนักใดๆก็ตามก็อ้างหรือว่าพยายามที่จะชี้ให้มนุษยชาติหรือว่าคนที่มีศรัทธาความเชื่อหรือว่ามีโอกาสที่จะมาได้ยินได้ฟังลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็จึงน้อมก็มาแต่ว่าถ้าเรารีบเชื่อศรัทธาบุคคลก็เป็นความโง่หลงอมไงมันมีศาสนบุคคลศาสนพิธีถ้าเราเชื่อพิธีก็เป็นโง่หลงอมไง เชื่อศาสนสถานเชื่อมากๆกลายเป็นเชื่อจนจระทั่งโง่หลงมงมงายอย่างนี้เป็นต้นมันมีศาสนะธรรมก็คือเรื่องที่เราต้องลงมือกระทาลงไปเมื่อทําถึงก็ถึงธรรมนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้เราจึงเริ่มต้นขณะนี้เดี๋ยวนี้กันโดยการที่เราตั้งสติเอาไว้นะ ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นแล้วก็รู้รู้ความรู้สึกตัวทุกๆขณะไม่จะเป็นเสียงมากระะบอูหรือว่ารูปมากรณะ ท, ที่ตาไม่ให้เป็นของร้อนเป็นการดับไปไม่เหลือเชือ้อทียรเล็กทียรน้อยเทียรเล็กเทียรน้อยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็ให้วลาละนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ห้าตรงก็เป็นเวลาที่เราน้อมเอาสิ่งที่ เราได้สัมผัสมาทาั้งชีวิตเอามาแยกแยะโดยความรู้เนื้อรู้ตัวให้สติปัญญาบรนพาไปจนทั้งเข้าถึงสภาวะของความเป็นปกติก็เรียกว่านิพานชิมลองนะทุกๆขณะที่รู้สึกตัวแล้วก็ท้ายสุดก็คือให้มันเป็นลักษณะของการไม่ถอยกลับไม่ลื่นไหลถลําลงไปในสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์เช่น ทุกเพอ ร, รูปธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้แลว้วก็ทุกเพราะนามธรรมที่เราคิดเราคิดไม่เป็นทั้งหลายรู้แล้วรู้ไม่ถูกทั้งหลายยังเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมา ก, ก็ขอให้เราได้เหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองด้วยการเข้าถึงสภาวะของจิตตภาวนาจนเข้าถึงสภาวะของปัญญาที่พาพ้นทุกข์ก็คือปัญญาพุทธ ก็จงบังเกิดกับพวกเราทุกคนทุกท่านโดยตัวนาการทุกรูปทุกนามเธอ